ต้องทกันเป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมที่เรากำลังทำอยู่หลายแง่หลายมุมเพฝึกขนตนเองจรวจมวลธรมวัดสายายปสูตรเอามาสอนตัวเรา แต่ละสูตรที่เราที่ที่ลำดับไว้นอยกองไว้เป็นลำดลับหๆเพื่อนำมาใช้สะดวกเป็นเรื่องของการฝึกฝนสอนตนไม่ใช่การอ้อนวอนงอกจากเรามีสติฝึกตนเองแล้วโดยตรง ยังมีสิ่งเวรลอมหลายอย่างได้บทเรียนหลายอย่างจากได้ยินในฟังที่เอาบางปฏิบติเนำมาดูแล้วก็มีแต่บทเรียนที่มีค่าเรียนรอสวดทาด สี่ขันห้าเป็นเรื่องของรูปของนามแล้วก็เป็นเรื่องของชีวิตเรานี่ในร่างกายนี่มีธาตุดินสิ่งไหนที่เป็นของเขีย่นแฉกเอสาลัวมาเมาตันตะอต่โ จ, อ, จ อ, อะไรเอ็นกระดูกอะไรต่างๆที่เขว่าไป มันคือธาตุดินจดประกอบขวัญหน้าทงไหนที่เป็นของเหลวเป็นน้ำดีน้นหนองเลือดลวอะไรต่างๆเป็นธาตุน้ำมันมีอยู่ในร่างกายนี่จนไหนที่เป็นความร้อนเขาอางงานให้ย่อยทำร่างกายให้อบวน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 มันมีอย่างนี้อะไรที่มันแสดงออกพี่มันไม่สงดุลก่อนก็ทำให้เพี้ยนไปเก็บไข้ได้ป่วยใช่ผิดประเภทใช่ท่าทีท่าหน้าเป็นผิ ด, ผดปเป็นเพได้เอาเวทนาเป็นทุกข์เอาเวทนาเป็นสุขใช่ผิดใช่ผิดประเภทไม่ใช่ไม่ใช่เป็นประโยชน์ เป็นความหิวอย่าไปออกมาเป็นสุขคงเป็นท like ุกข์ความหิวเยอะมาเป็นทุกข์ความอิ่มเยอะมาเป็นสุขให้เป็นเป็นธรรมชาติเป็นอาการของธรรมชาติให้มันลู้ซื่อเข้าไปเห็นเว็นของเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้มันจะได้ไม่ชิ่นเบื่อถ้าสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์มันเพี่ยนไป มันหลงทิศหลงทางไปไม่เข้าเชินเข้าทางแล้วก็ลรลงล้างไปเป็นตรงเป็นป่าไปเกิดความโศกความทุกข์ความโกรธความโรคผ่องหลงไปถ้าเห็นเป็นกแต่ว่ามันก็เป็นทางแปแล้วก็ง่ายดีรู้ซื่อไปไม่ใช่รู้แบบเป็นหลงงมงาย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 ก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดชะดีปัญญาแบบนี้เราจรึงมาฝึกสติเพื่อเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูหลงตาไปพูดที่หลวงพวบาลสละบุรีเมื่อวานนี้ในคนฟังสามสี่รอยคนเป็นเจ้าหน้าที่ของต่อนสุขทั้งหมด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 แล้วเป็นล้วเกลียดชังเป็นเกลียดชังไม่ใช่ไม่ใช่รู้ซื่อแต่ว่าที่รู้ซื่อมันก็จกมันสุขเห็นมันสุขไม่ใช่เป็นผู้สุขนี่คือรู้ซื่ออทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์นี่คือรู้ซื่อถ้าทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นสุขไม่ใช่ซื่อแล้ว <c oughs> มันโคดมันโค้งไปแล้วหลงทิศหลงทางไปแล้ว แล้วก็ไม่จบสักทีุศก็เป็นโุกด้วยไ ป, ไปทุกข์เป็นทุกข์ด้วยไปโกรธเป็นโกรธด้วยไปหลงเป็นหลงด้วยไปมันไม่จบลูซ่ซื่อมันก็จบไม่ว่าตรงปฏิบัติตรงนั้นหลงรู้ตรงที่จุดมันทุกข์รู้ตรงที่จุดอะไรที่มันเกิดขึ้นในอาการของกายของใจลูซ่ซื่อเข้าไปเชื่ได้ทั้งหมด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 แต่เราต้องช่วยเราเองให้รู้เอาไว้นั่นคือโลกเราลู่ตั้งแต่ศึกษาธรรมะรูปโลกนามโลกทุกทุกนามทุกมันเป็นโลกอันรูปก้อนนี้มันเป็นโลกของทุกเป็นเป็นก้อนทุกถูกความทุกอย่างเอาแล้วถูกความทุกเป็นเบอรหน้าแล้ว อันลูกเนี่ยไม่มีใครหนีจากสิ่งเหล่านี้ไปได้ถ้าเราไม่ศึกษาถ้าเราไม่เห็นทุกแทนที่ทุกเป็นทุกทุกเป็นลูกไปเลยเห็นเหมืนทุกหมอบอกว่าเป็นมะเหลืงต่อมน้ำเหลืองก็เนื้อโตเร็วนั่นคือลูก ก็รู้แล้วว่าโลกบางอย่างรักษาได้โลกบางอย่างรักษาไม่ได้มันเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อเดมาเป็นความเดิดโลอนแม่มาเป็นทุกข์สิงนี้เราช่วยตัวเราส่วนโลกนั้นมีคนช่วยมีผู้รู้เราก็ช่วยตัวเองเราถ้าเราเป็นโลกเป็นผู้เจ็บเป็นผู้ ปวดเป็นผู้เจยเป็นผู้ตายนั้นก็เกิดดับเกิดดับไม่แพ้เห็นไม่ใช่ไม่ใช่เห็นซื่อๆแต่รู้ซื่อๆมันก็เห็นแต่นี่ปวดเป็นความปวดเห็นมันปวดเป็นความสนุกสนุกป่วยไปเลยสนุกเก็บไปเลยไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์อันทุกข์มันไม่มีมันจบมันจบได้ แต่สิ่งที่เป็นทุกข์ไม่มีจริงๆมาจบได้พระพุทธเจ้ า, าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ว่าทำเป็นเครื่องกำจัดทุกข์วา่าสงบทเครื่องกำจัดทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกข์เปทุกข์ท้ก็ถือว่าความทุกข์มันจบอันธามวมะอาการต่างๆมันจบไม่เป็นฉันเจรทุกวันจนกินข้าวอาหาร ไม่เฉ็ยดเจ็ดที่มันหิวการอาหารก็อิ่มแต่หิวเรื่อยไปนักเบาเอยไปมันเป็นการบรรเทาไม่ใช่แฉตัวนแเจ่ได้คือหลงเป็นลูกทุกเป็นลูกนี่แฉแฉได้ต่างเก่าพ้นว่าะเดินได้มันแจ๋เห็นมันแจ๋แ่ได้มันเจ็บเห็นมันเจ็บแ่ได้ มันตายเห็นมันตายเชือได้มันเกิดเห็นมันเกิดเชื่อได้ไม่เกิดหยุดเกิดอยุดเจริญยุดเจติหยู่ตายหยุดได้ไม่ตายในความสุขไม่ตายในความทุกข์ไม่เจริในความสุขไม่เจริในความทุกข์ไม่ตายในความสุขไม่จ่ายความทุกข์ไม่อยู่ในการเกิดเดบของรูปนามเห็นแล้วจบไปแล้วไม่มีอะไรจบไปแล้ว ความหลงก็จบแล้วความโกรธจบแล้วความทุกข์จบไปแล้วความโง่หลงงมงายจบไปแล้วเชื่อการกระทาําของเราไม่ใช่เชื่อพิธีรีตองไม่มีอะไรลึกลับในชีวิตเหล่านี้ให้ลู่แจ้งถ้าใครสอนให้เราลึกลับไม่ใช่สัจธรรมที่ปรัสนาเป็นของลู่แจ้งทุนภาวะเดิม สัมผัสได้มันหลงเห็นมันหลงแก้งแล้วไม่ใช่หลงเป็นหลงมันมืดแต่ทุกเป็นทุกมันยังมืดไม่แจ้งแต่ทุกเป็นลูกซื่อเข้าไปมันแจ้งแล้วไม่ใช่หนีไปไหนในความหลงมีความลูกมันแจ้งอยู่ที่นั่นแต่ที่หลงเป็นหลงลูกทุกเป็นทุกมันก็เป็นความแกล้งไปแล้วนี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้ว เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆถูกต้องนี่คือกรรมคือการกระทําศักดิ์สิทธิ์นั้นหลงลู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอะไรขวงกันได้นิมิตากรณาไม่มีขอบเขตไม่เดือดร้อกที่ลังมากที่ฉงเสมอภาพมิตรภาพของชีวิตสม่ำเสมอเหมือนทางมิตรภาพนั่งอยู่วนลถเชื่อทางมิตรภาพ เอาหน้ามใส่แก้วไมกระเพื่อมนั่นเรียกว่ามิตรภาพจิตใจผู้ปลึกเดียวไม่มันไหวก็ะสะเทือนเพราะหลงฉันได้จิตของผู้ปลืกเดียวไม่สะเทือนเพราะนินาสันเสริญ น, นี่คือมิตรภาพไม่เป็นไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่คือชีวิตเราได้ชีวิตจากกรรมฐานส่วนที่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 ล้อนเป็นผู้ล่อนเกิดแล้วเกิดล่อนเป็นตัวเป็นตนแล้วกู้ร้อนกูหนาวกูหิวกู้เจ็บกู้ปวดเกิดแล้วในความเกิดเช่นนั้นมันก็มีเจไปแม้จะเกิดโกรธกร็เกิดแล้วต่อสิ่งไหนเกิดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเราอยู่ในภูมิมนต่ำอบายไม่เจริญเกิดโกรธโลภหลงไปภูมิมันต่ำ ถ้าเกิดแบบนั้นไม่มีทางไปสู่มรรคผลได้พ่ายแพ้รวมหลงเป็นหลงเป็นคนพ่ายแพ้รวมทุกข์เป็นทุกข์เป็นคนพ่ายแพ้ความกดเป็นกดเป็นคนพ่ายแพ้แล้วป่าละชัยแล้วบาปแล้วไม่มีทางมาลุ้นทกับเขาเนี่ยวปาลชัยเป็นคนพ่ายแพ้ อ่อนแอทุกเป็นทุกอ่อนแอโกรธเป็นโกรตอ่อนแอหลงเป็นหลงเป็นคนอ่อนแอบูมันต่ำบ้ามีภูมิอ่องตันต่ ำ, น, ตำนี่ก็ไปสู่อบายคือเปรตสุรกายสันนลกเดือดฉานงูงูในความหลงโง่ในความทุกข์อยู่กับความทุกข์อยู่กับความโกรธข้ามวันข้ามคืนงูเหมือนสัน ขี้ขาดขี่กลัวมันก็เปลี่ยนความหลงวความรู้พอใจในความโกรธด้วยขี้ขาดอสุรกายไม่กล้าถนอมในความโกรธก็มีบางชีวิตเอาคีดไปห่วยไปเขียนมากับความรักความชังนั่นไม่ใช่ชีวิตชีวิตเนของเขาเอาหิ้วไปไหนก็ไปอยู่ดีๆไม่อยู่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 ตนทำชั่วได้สําเร็จนี่แล้วว่างเราก็เห็นเงินอยู่โกรธได้สําเร็จความโกรธเป็นความโกรธได้สําเร็จเกิดขึ้นไหนตัวเราว่างเกิดขึ้นอจากคนอื่นยื่นให้บ้างแล้วแต่ชีวิตเราจะไปเป็นที่ไหนเจ้าเดนทาก็ทุกข์เขาเสียนก็ถูกขไม่ใช่ชีวิตแบบนั้น ที่ิเศษนั่นแบบแมันชีวิตกีหลังไม่ยั่งยืนชีวิตต้องไม่เป็นอะไรเนี่ยเราก็พูดอย่างนี้เราก็สอนอย่างนี้เราบอกแล้วถ้าใครยังหลงอยู่ไม่ใช่ความผิดของเราถ้าใครยังทุกข์อยู่ไม่ใช่ความผิดของเราให้รู้ซื่อตอามองก็มันรู้รู้ล้วมันหลงก็รู้ถ้ามันทุกข์ก็รู้มันผิดก็รู้มันถูกก็รู้มันสงบก็รู้มันสั้นก็รู้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 นามมันทำดีมันทำชั่วได้นามเนี่ยรูปน้ําเกิดครั้งเดียวนามรูปเกิดหลายครัง้งนามรูปเกิดจากอเยตระตาหูจมูกดิ้นก้ายใจรูปรสจินเสียงสอมปัตอารมณ์เกิดภพชาติที่นั่นด้วยอันนั้นเรียกว่านามรูปเกิดดับเกิดดับ ชีวิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่ไม่มาตรฐานไม่เป็นอมะตะไม่เป็นนิรันดร์ต้มรู้คุกขานเหมือนงอดินที่ไหน ท, ที่ไหนที่เกิดจากนามรูปเป็นงอดินช่วยรู้ขนาดไหนให้ความชุกขนาดไหน ที่มันเกิดจากอาจารนะตาเห็นรูปมีความสุขหูได้ยินเสียงมีความสุขจมูกได้ยินเล่นเลยลดกายสมปัจจิใจมีอารมณ์ดีเห็นสุขสุขแบบหม้อดินไหนช่างเป็นหม้อดินแม้จะทำรูปสวยรูปงามขนาดไหนใหญ่โตเล็กขนาดไหนรูปใดแบบไหนแตกทั้งนั้นไม่เที่ยง นี่เลยว่านามลูกชีวิตของเรามันใหญ่ตรงนี้ให้อายจะตเป็นใหญ่อันดึงไปตาก็ดึงไปหูก็ดึงไปจ้หมูก็ดึงไปลิ้นก็ดึงไปกายก็ดึงไปใจก็ดึงไปเหมือนสอดหกชนิดตาเหมือนงูซะพระเจ้าเปรียบเทียบนะหูเหมือนนก จมูกเหมือนสุนัขลูกสุนัขในเดนบ้านลื่นเหมือนจร ะ, ะเข้กายเหมือนสุนัขในเดนป่าใจเหมือนลิงดูสิเอาลิงเอางูเอานกเอาหมามาเอาหมาป่าเอาจระเข้มาผูกเสียกันดูมันจะไปทางไหน ไอ้เพี่ยนเจออะไรขี้จะไปไหนเจ้าละไรขี้จะไปทางไหนโลก น, น้กกํานกจะไปไหนโมกบินขึ้นอากาศลิงจะไปไหนลิงอ่ะ ล, ล, ล, ลูกสุ น, นัขลูกสุ น, นัขมันจะวิ่งไปไหนวิ่งเข้าบา้านสุนัขป่าวิ่งออกป่า เห็นไหมแล้วอะไรที่มันเป็นใหญ่ล่ะจริงแล้วนั่นหรือชีวิตเราให้ให้ให้ใหอ่เจตนามันมันเป็นใหญ่เลยต้องมีอินทรีย์สติอินทรีย์เป็นใหญ่เหมือนหลักอะไรโลนี่หลักเราล่ะตาเห็นโลโลหูดีเหนเสียงโลจมูกได้กลิ่นโล ลินได้รส ล, ลูกอ้ายสัมผัสลูกจิตใจมาคิดลูกหลักไปอยู่ตรงนี้ถ้ามีความรู้ใช่มีใช่รูม้มากๆเข้ามากๆก็มีพลังเป็นสมหลักเรีวยว่าอินทรีย์สติอินทรีย์ใหญ่แล้วบ่นะใหญ่กว่าตาใหญ่กว่าหูใหญ่กว่าจมูกได้นกายใจญ่รู้รสจินเสียงถ้ามีสติอินทรีย์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 อยอดมะม่วงอ่อนอยู่มันไม่สามารถที่ออกลูกได้อินทรีย์เมื่ อ, ดอดัลอ่อนมันไม่มีมากมีผลไม่มีเกิดลูกไม่มีประโยชน์ต้องอยู่นานๆหนึ่งวันถึงเจ็ดวันแก่กขึ้นแล้วหนึ่งเดือนถึงเจ็ดเดือนเก่ขึ้นแล้วสเตอินทรียแล้วหนึ่งปีถึงเจ็ดปีเก่ที่จุดเดียวดอกผลเกิดขึ้นนั่ี ทุกไม่เป็นทุกสุขไม่เป็นสุขหนูโลกเนี่ยฝึกอย่างนี้นชีวิตเราอยู่หนอโลกพระเจ้าจึงบอกสูงทั้งหลายมาดูโลกสูงทั้งหลายมาดูโลกนี้เห็นไหมเห็นไหมอโลคเชียบละหมาพาผู้ไม่มีโลกเป็นอะไร อารมณให้บาปะบาละาละพาผู้ไม่มีโลกเป็นลาบเป็นประเสริฐแหมโลกอะไรโลกของอยตนะจบไปแล้วเป็นจัก่ว่าใช้มันไม่ให้มันใช่เราเดีวนี่ตามันใช่เราหูมันใช่เราจมูกดี่มันกายมันใช่เราใจมันใช่เราขึ้นว่าหวานกลางวันวายคิด ไม่หยุดไม่อยู่เลยท่องเที่ยววิ่งไปนวตตะสงสารวัตวตะคือวนอยู่วนเวียนอยู่ไปไม่โลดอายุเจ็ดสิบแปดสิบไปยังวนอยู่ในความลักความชังความกดความโลภความหลงความสุขความทุกข์วนเวียนอยู่เขาไปกันแล้วองตาจึงพูดว่าถ้าใครยังหลงยังโกดยังโลภยังทุกอยู่ล่าสมายัยล่าสมัยแล้ว อยู่ในหลุมฝังศพ ก, กะดักด็ดอยู่ตรงนั้นไม่เป็นอิจราเอาจึงมาศึกษาเรืนี่กันทุกวันแหนสหากลจะเป็นประเทศไหนชีวิตแบบไหนระัที่อะไรแบบไหนอันเดียวกันหมดเลยนี่คือของจริง ขอพูดไว้ได้ยินเอาไว้ได้ยินเอาไว้ว่ามีคนพูดอย่างนี้ในความหลงมีไม่หลงในความทุกข์มีไม่ทุกข์ในความโกรธมีไม่โกรธพระเจ้าสอนพวกเราอย่างนี้พระสงฆ์พระสาว ก, กสอนงานนี้ตอนแรกพองศ์กับลูกอย่างนี้ลูก ยังไม่ยังไม่ได้สอนคนเป็นพุท ธ, ธะตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกเกิดพุท ธ, ธะขึ้นมาพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ตั้งแต่เดือนวันเพ็ญเดือนหกถึงวันเพ็ญเดือนแปดจึงมาสอนดูมาสอนดูกัทั้งพระธรรมคำสอนอ่านเนี่ยลองสวดดูที อิทธาตะถาคตโลยอุปปโนสวดไหมได้ได้ได้ได้ได้สาธยายไหมทุกวันตอนเช้าอิทธาตะถาคตโลยอุปปโนพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้สัมมาจิตเตชิตโตนิพพานนิพพานปานิโตอะไรจำไม่ได้ทางพระธรรมคำสอนนั้นเป็นไปเพื่อทีาจออกจากทุก เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานในบรรเพ็นหกถึงบรรเพ็นแปดมีคำสนนี้ที่ป่าอิสิปตนามลึกขยาวันมีผู้ฟังห้าคนคือปัญจวคีทั้งห้าเป็นนักบวชเป็นฤาษีฤาษีห้าปัญจวคีห้าคนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมาจากไหนคําว่า ปัญจวิคีเนี่ยโกนทยาพามเป็นพามหนุ่มไปทำนายลักษณะของสิท ธ, ธะตั้งแต่ประสูตรได้เ็ดวันพามหนุ่มนอกจากนั้นเป็นพามแก <c oughs> ไปทำนายชีคนละ่ะพามไปทำนายลักษณะชีคนละ่ะอาจารย์ฮะ พรามที่เปทำนรรายลักษณะสีทตะเมื่อประชูได้เกิดวันกี่คนแปดคน <c oughs> แล้วนอกจากเกิดคนเป็นภามแก่นี่พรามหนุ่มคือโกลทัญญาโกลทัญญาพรามเป็นพรามหนุ่มน้อยแต่มีมีศาสตร์ที่ทำนายลักษณะของมนุษย์ ถ้าจะพูดทำนายลักษณะทายแม่ดคือโกนทัร ญ, ญาโกนนิยาทายอย่างไรทานศิรธิธาฮะไม่ขี้ทายอย่างไรทำนายอย่างไงคนธัญญาฮะพวกเราชาวพุทธควรที่จะรู้เรื่องอย่างนี้ <c oughs> นี่แหละด้างเองแนละ้วทำนายว่าศิริธา ไม่มีทางของคารวาสแน่นอนต้องออกบวชตัดรูปเป็นพระเจ้าจาึเถอะอวัญธัญาทำนายพราหมณ์หนุ่มเป็นลักษณะเดียวเด็ดขาดส่วนพราหมณ์แก่เจ็ดคนนั้นทำนายสองลักษณะถ้าออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าศาสตราเอกในโลกถ้าเป็นคาบวาสผู้คองหลจะเป็นพระเจ้าจากักรพัฒนิทำนายแบบเดียวกันเกตุคน เป็นสองนายยแต่ปนทยาภารมทำนายเป็นลักษณะเดียวออกบวชแน่นอนก็หลจนชีรทษ า, าอายุทีหกปีตั้งแต่เจ็ดวันหลออยู่ให้ได้พูดให้พูดไปไหมเนี่ยฮะพูดไหม <laughs> จำมาลู้จำในลู้จำแต่ก็มีหลักฐาน นานมาจากนี่ปัญจวิคีนะ่ะแล้วก็ โ, โกคตย า, าพามรอ7จปีแปดปีสิบปีส6หกปีอา้าประสาสาวหลู่เกิดขึ้นพระเจ้าสุตนลัลบังจะให้เป็นจกักรพรรดิไม่ต้องการให้บวชสร้างประสาสาวหลู่ให้สร้างให้สาวสนมกำนันในมิเตสตรีรุวน อัครมีเสียให้สาวงามคือพิมพานั่นเสร็จเลย ไ, ไ, ไ, <c oughs> เลไปไม่รอดลเลยเอาละไปไม่รอดหรอเกิดโอรสคนหนึ่งชื่อว่าลาหนุนเอาแล้ ว, ว่าไรพามทั้งเก็นั่นแน่นอนเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิไม่มีทางไปบวชผ่านนี้แล้ว พอเจ้าโทตนะระหวังที่สุดยี่สิบปีสิบหกปียี่สิบปียี่สิบเก้าปีตาหุนประสูตแล้วะลวะเนาะเจ็ดเลยโอนท ญ, ญาเนี่ยยังมั่นใจอ่ะไม่ไม่ของคาบวะต้องบวชแน่น้อยโออยู่จนถึงยี่บเก้าปี แต่เด็ดเอาบวดเลยนั่นน่ะเห็นว่ า, ว า, นะาน่ะพราหมณ์ทั้งเกศคนไม่แม่นเลยคนทายาบาแม่นที่สุดเลยชวนแต่พราหมณ์ทั้งเกศคน่ะตายไปแล้ววันะเหลือแต่ลูกพราหมณ์เด็กตัลูกชายของพราหมณ์เลยชวนเอาลูกของพราหมณ์นั่นทั้งเกตคนน่ะได้เซคนนอกจากนั้นเขาไม่ไม่สมัครไปไหมไปจะพรตามจิัตะะออกปวดเลว ต้องเป็นพระพุทธเจ้าได้ปูดพวกเร า, ไ ป, า ไ, ปเปไปตามไปเป็นฤาษีอกไปตามไปอุปทาณนะอยู่ต้อง6กปีรอคอยจะให้ตัดสูหมอยเห็นตอนที่ฉันเช่านางสุชะดาเห็นพระเจดทธะฤาษีที่าทะออกปวดเลยไม่มีทางแด้ปัญ ชวนปัจจับีสี่คนหนีจากโดยที่เดียวเห็นว่าหมดท่าแล้วตัเจ้า ก, ก็สีท่าก็ปล่อยนั่นน่ะได้โอกาสแล้วได้โอกาสาจะไงเพื่อนหนีจากเหลือคนเดียวแ <c ười> ทนที่จะว่าเวนะสิทธเธอนี่งมันจะเอาละเราอยู่คนเดียวเะ แต่ก่อนเป็นเจ้าชีต้องลูปหน้ารูปหลังคอยดูแลเป็นยังไงเป็นไงาจยเป็นไงช่วยเลยเหมือนเจ็บป่วยมันก็ผมโทงโจมลุกชมนั่งได้พูดได้จาบางทีก็บางที ก, ทก็อาจจะไม่มังหมโต อ, อยู่ลมบางโอเดียวก่อนจนเข้าหนุษชราแล้วเอาเอาล่ะปเนียเราอยู่คนเดียว ที่ไหนล่ะจากลิมแมในรันชลาฝั่งที่ตะวนกมองเห็นเดินเนินป่าพุทธคยาล่มรือนเดินข้ามแม่น้ำในรันชลาเอาอ่ะอยู่ที่นี่มันไม่ดีเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเยอะบ้านสุชดาเนี่ยเป็นทุ่งข้าวทุ่งน้ำอู่ข้าวอู่น้ำเขา เหลืเรื่องหัวเล้่องขวอย ก, ย ก, ย ก, ยกไหลหัวไหลขวอยลงน้ําในรัญเชลาถ้าน้ําขาไม่อดีเปลี่ยนทิศทางข้ามในรันเชลาไปฝั่งทิศตะวันตกเป็นเนินป่าแล้วจะเปรียบก็เหมือนกับข้ามลําำป่าขามาอยู่เนิน <laughs> สุกุโตมองจากบ้านโกงงเหมือนชุมชนเรินข้ามมาเนี่ย เป็นป่าตู้มามาได้ต้นถีมาโพโสดที่อภามระหว่างเดินข้ามหน้ามาเห็นจำนาหน้าเลื่อมใสศรัท ธ, ธาไม่มีอะไรไปเกี่ยวย่ามาเลยเอาย่าให้ห่ากับมือมาปูนั่งหลัละเราอยู่คนเดียวเราตั้งกิจที่เดียวเลยนุดคนไหนจะแม่นขนาดนั้นเราจะเราจะนั่งขั้าสุดท้ายลรอ อะไรอะไรก็ทํามาหมดแล้วหกปีผ่านมามันเหลืออยู่เนี่ยในเรื่องกิตเรื่องใจนี่แหละเธอมานกายเอาหมดแล้วอมอละเราจะเล่นงานตัวนี้ของเราตั้งจัดจะเราจะไม่ลุกถ้าไม่ได้จะจะโลอนุตสัมโธที่อันจะไม่หนีจากที่ตายเป็นตายไม่เลือดเงื่อกระโดดผูกพังไปก็ชากมัน มีมนุษย์คนไหนคิดอย่างนี้เอ้าเข้มแงอะไรเนี่ยเราจะไปไหนลองดูก่อนปฏิบัติลองดูก่อนหนึ่งวันแล้วไม่รู้อะไรสองวันแล้วไม่รู้อะไรไประเมินเสร็จแล้วเจะไม่คิดอย่างนี้ตายเป็นได้จะรู้เนี่ยนั่งไปก็คิดถึงนะถ้าเจอบมาแลนะมานเกิดขึ้นเช่นแล้วอิเลตมาร คนเคยมีลูกมีเมีย ก, ก็ย่อมคิดถึงลูกถึงเมียกิเลตมานนี่ไหมคิดถึงขอค้ำมอนไม่เพี้ยนอันตายไปแล้ <c oughs> <c oughs> คิดถตงการเก่าที่เคยหัวเราะเคยเจี่ยวพอราอาศีเคยโยกเคยโล่คิดถึงสนมกำนันไหนย่อมคิดไป นั ses, rie, um weigh, ่งอยู so no ่ต้นถีบ well, ังโพลำบางโนเดียวยอมมาเว่ใช่ไหมยอมมาเว่ยงบเกินไปเคยดิฉี่ทีเป่าจะโน้มกำนันไนเคยดิฉี่ทีเป่าให้เส็บให้งอนจนหลับมัาอยู่คนเดียวเนี้มันยอมจิตบุงแต่งแปกลับมาไม่ใช่ ไม่ใช่หมานั่งคิดถึงเป็นบ้านะกับมารู้สึกตัวอันคิดไปรู้สึกตัวตอนแรกก็อาจจะอยู่นี่มืออาจจะอยู่นี่ลองคิดไปรู้สึกตัวเลยหัดวิธีการคู่เขียนเข้าการคู่เขียนเข้าก่อนเยื้อเขียนดอกไม่สติหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกมาอยู่กับนี่อยู่ที่นี่ดูที่นี่ไม่หนีจากที่นี่ ตัวลูจึงตัวเป็นโพธิเวลาหลงรูโอ้ยมันเปนลปี่ยนหลงเป็นรูลด้เวลาคิดไปรูความคิดก็หยุดได้หยุดได้หยุดได้หยุดได้ดไดขันธ์ธมานเก็บเพื่ได้ป่วยขันเนื้อขันตัวฝนตกก็เปียกแดดโดนก็ร้อนตัวตายขึ้นมาแล้วนี่ทำไงจะเป็นไข้ล่ะเป็นไข้ามาเรียหรือเปล่าตัวร้อนหรือเปล่า กลัวเหมือนกันคิดไปเอ๊ะแล้วันนั่งอยู่เนี่ยขันทำงานขันทำงามคือเวทนาเป็นชุบเป็นทุกข์เป็นปวดเป็นเมื่อยปวหลงังปวดเดียวมัดจุ่มงานกลัวตายกลัวตายบางทีงูจงอยู่ื่อยมางูหูด้วยมาโยงก็มากัน ไม่มีอะไรหย้าคาปูไว้ไม่เมื่อนั่งเหมือนเราไม่มีหลังคาเหมือนเรามันย่อมเกิดอาการต่างกั น, นธรตมานมัจุ ม, มนานโคตรเทพบุตรธมานคิดถึงภาษาสามฤ ด, ดูมาเปรียบเทียบต้นชีมาโพได้กัฤดูร้อนอยู่หลังหนึ่งฤดูฝนอยู่หลังหนึ่งฤดูหนาวอยู่แล้วจนั่งอยู่เนี่ยมันก็มี เทพบุตรเมอ <c oughs> ืองคิดถึงความสะดวกสบายเหมือนท่านทั้งหลายอยู่บ้านนอนที่ดีๆอะไรก็มีตู้เย็นเปิดได้ต้องการกินต้องการใช้อะไรใช้ได้นี่มาอยู่นี่ยอมคิดถึงความสะดวกอาหารก็มัดมือชกนะที่นี่ใช่ไหมไม่เลือกไม่ได้ <laughs> อยู่ที่บ้านเลือกได้เลือกได้จะกินอะไรละ เลือกได้อยู่นี่เลือกไม่ได้เสียแล้ว แ, ลแต่หลวงอาหารก็ทำอะไรให้เรากินแต่เขาใจดีก็มีอาหารอร่อยถ้าเขาใจร้ายก็ไม่มีอะไรเลยอดไปแล้วถ้าอีตให้ไปเขียนก็ยิ่งว่าเวที่พุทธมารเกิดขึ้นมาไม่หวนไป มันคิดอะไรก็รู้สึกตัวไม่หวั่นไหวการไม่หวั่นไหวกับอะไรต่างๆไม่แต่รู้รู้เลยไปบางทีก็มาตัวมาตัวเหมือนกับว่าค่อยๆมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวต้นโพเป็นงองเขามานั่งนี้จะใหม่ไหนไปเติมมิดอะไรต่างๆดึกลับ มันจะมีนะไล่หนีไล่นีจิตะไม่หนีไม่นีน เ, เขาอยู่ที่นี่จนถือกูว่ามีอะไรมีกรรมสิทธิ์อะไรมาอยู่ที่นี่เราก็นั่งอยู่ที่มานานแล้วไม่เห็นมีเจ้าของอะไรเป็นเจ้าของเป็นศักดิ์สิทธิ์ขี้เสเพนดินเนี่ยแผ่นดินเนี้ยศักดิ์สิทธิ์ ว่าเราา่ไม่เคยมีเป็นเจ้าของท่านเพิงมาเมื่อกี้นี่เนีนน่ยชื่อเสแผ่นดินปาก็ว่าเออธานีบุยผมเป็นน้าไหลออกพวกมารทั้งหลายพ่ายแพ้ไป น, นี่คือหมายความว่าอนะไรเป็นแผ่นดินมันม่นมั่นคงไม่หวั่นไหวสุข ก, ก็ไม่หวั่นไหวในความสุขทุกข์กไม่หวั่นไหวในความทุกข์วิริยตระนัไม่หวั่นไหวในจิตตระหน มาอันทั้งหลายไม่หวั่นไหวคือแผ่นดินชีวิตเป็นแผ่นดินหนักแน่นหนักแน่นไม่หวั่นไหวเนี่ยเดีย ว, ว่าสิ่งที่หนักแน่นเนี่ยมันไม่หวั่นไหวเนี่ยเหมือนกับว่าแผน่นดินหมายคือว่าสมาธิหมคําว่าสติที่เรามีอยู่เนี่ยไม่หวั่นไหวเห็นมันจบเห็นมันทุกข์ เห็นมันโกรธเห็นมันโลภเห็นมันหลงเห็นอาการต่างๆที่เคยขึ้นกับกายกับใจแม่นยำชัดเจนเห็นสุขเป็นรู้เห็นทุกข์เป็นรู้เห็นหลงเป็นรู้มันก็ได้หลักตัวนี้ครับว่าตีสี่ตีห้าก็เกิดยานขึ้นใจพระองค์นะบเพลงในหัวสอนทีเตียนคิดถึงเมืออตอนเย็นเป็นไง ตอนดึกเที่ยงคืนไปไตอนตีสามตีสี่ไปไงคิดใจก็ลู่ไปคือง่ายลู่ขึ้นง่ายลู่ขึ้นแต่ก่อนหลงเป็นหลงแบบลู่ลู February, ่いいู่ไปไปู่ไปไปลู่ไปนั่นก็เห็นว่าแต่ก่อนเราอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นกิเลสเป็นกิเลสกิเลสกลายเป็นความรู้ไปแล้วกิเลสมารเป็นความรู้แล้วขันธ์มานเป็นความรู้แล้วมัดจุมารเป็นความรู้แล้วเทบุดามารเป็นความรู้แล้ว มีแต่รู้เท่านั้นไม่จะรู้นมันก็เบาขึ้นเบาขึ้นเปลี่ยนเปลี่ยนภาวะเกาะ่าหรือว่าเห็นภาวะเก่าทั้งแต่เดี๋ยวนี้มันอยู่ตรงนี้โล่งข้นมาแล้วายานที่สองเกิดขึ้นอยู่ที่เกิดตั้งอยู่นี่แล้วมันไม่หวันหว่นไหวอยู่ตุ่ยไว่าอยู่มีความรู้สึกเป็นที่ตั้งอยู่ไม่หวันหว่นไหว รู่เนี่ยสิบสี่จังหวารูสิบสี่วินาทีสิบสี่วินาทีสิบสี่รูรูที่ตั้งในรูตรงนี้รูตรงนี้ถ้าจะเปรียบแล้วการคู่เข่นเข้ากันเยากจะนกลู่เนี่ยหลายหมื่นหลายแสนรูเข้าไปงนมากขึ้นมากขึ้นมากรูมากรูมหารูว่าหารูไม่ใช่รูทํานามันมากูกวาคำรูปราบความหลงหมดไปความหลงก็หมดไปหมดไป ไม่แต่รู้จู่ตัวยานอาสวัคยานทำไมโลกโกดหลงหลงดนอเนี่จบใช่ไหมเอบงก็มีด้วยพวกกันจะแา <c oughs> บพ่อกัน